ในสุรษะแอลอันฟาลนักบุญเรียติฮกับเรติหกเนียมันมีเรื่องที่ต้องอธิบายอีกนิดหนึ่งเพิ่มเติมในภาวะสงครามที่เกิดขึ้นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้นี่ก็คือความรู้สึกของผู้คน แต่ล l ล a h س ب ح ا ن และ تعالى ทรงรู้ความรู้สึกของสัฮาบะทุคนทุกฝ่ายมับบนเป็นอย่างไรแล้วแผนที่อ l ล a h س ب ح ا ن ะ ت ع ا ได้กำหนดไว้แล้วอันที่เราเราเราต้องเชื่อต้องศรัทธานะ a าเรารู้แราวแผนของพระองค์นี่ว่าทุกฝ่ายนั้นน่ะเป็นอย่างไร เลาเราสุภาพนาวตาเาก็ได้กาหนดในสิ่งที่เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ประเสริฐสหรับแน่ نبي ซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมเลฟุสต์ถ้าแต่การที่กาหนดให้แผนของอัลลอฮ์สุภาพนาวตาเราปรากฏแมนว่าฝ่มนุษ ฝ่มนุษย์เนี่ยจะเป็นผู้ศรัทธาหรือผู้ปฏิศรัทธาเนี่ยไม่รู้ก็เป็นบททดสอบอันหนึ่งเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาห์ดาร์แหละจะให้ความรู้สึกนั้นปรากฏเพราะภาวะสงครามความรู้สึกที่ทุกคนอยากจ ะ, สะแสดงนั้น มันก็อาจจะไม่ใช่ความรู้สึกจริงที่ตนตนเองมีอยู่มีสหายที่มาถามท่านนบีส ل ลต่าละฮะอิยาตุลเลมรจุลย قاتل ุฮามียคนที่ต่อสู้คนที่ต่อสู้คือ j i เนี่ยย قاتل ุฮามียดนเพราะพรกพวกไพรพวกกูไปกูก็ไป ใครจะใครจะรู้ล่ะเข า, ขาก็อยู่กับอยู่กับกลุ่มที่เขาต่อสู้กันทั้งทั้งหมดนบีอัลบอกว่ามัน قاتل لِتَكُونَ كَلِمَةُ อ ل ل َّเِ إ ِ ي َ ا ل ْ ع ล ل ِ ي َ ف ه و ف ي س ب ي ل ِ ه คนที่ต่อสู้เพื่อให้พระดํารัตเราสูงส่งเท่านั้นก็ ค, คือผีเสื้อบิลลัดคือถืว่าคนที่ต่อสู้ผีเสื้อบิลลัดส่วนเจตนารมณ์ของเขาเนี่ย คนคนน่นไม่รูุ้ทูลละศุภะนวัดอัลละทรงรู้ <c oughs> แต่สงครามัจจบนมันเป็นสงครามเป็นสงครามครั้งแรกและมันควรที่จะมีบทเรียนมากมายสำหรับมุสลิมเพื่อให้ให้เป็นตัวอย่างสำหรับสงครามต่อไป <c oughs> เช่นบทเรียนที่อัลลอฮฺซุบฮานาะวะตาละต้องการให้ให้เกิดขึ้นนี่บทเรียนที่อัลลอฮฺซุบฮานาะวะตาละต้องการให้เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อให้เป็นบทเรียนสําหรับสงครามครั้งต่อไปเพราะอาจจะไม่มีโอกาสที่จ ะ, ท, จะที่จะมีบทเรียนแบบนี้อีกเป็นจังหวะที่มีหลายปัจจัยมีหลายเรื่อง และอย่างที่บอกบอกกับพี่น้องว่าช่วงแรกของสุรตะลัฟ้วาวาอัลลอฮฺ سبحانه และต้องการขัดเก่าจิตใจของผู้ศรัทธาในทุกขั้นตอนที่มีการทำงานศาสนารวมถึงขั้นตอนการแบ่งสับฉเฉลย ซึ่งมันเป็นช่วงหลังสงครามแต่ซูร่านี่เริ่มต้นซูร่านี่เริ่มด้วยแบ่งเซปเชอร์เนสแอลูนะครบน่ิ่มแรกที่แบ่งเชื่อแรหมายถึงว่าสงครามมันจบแล้วแล้วก็ <c oughs> แต่มันเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อจะได้เล่าที่ไปที่มาอ๋อเขามาถามเร่องเพราะเรื่องนี้มันมีอยเป็นมีดังนี้แล้วก็เล่าเรื่องตั้งแต่แรกซึ่งมันมันก็เป็นศิลปะในการเล่าเรื่อง ที่เกิดการถามสงครามถามเรื่องการแบ่งทรัพย์เฉลยแล้วก็มีบางคนไม่พอใจก็เพราะมีบางกลุ่มบางกลุ่มที่ อ, ออกมากับท่านนบีิดซอลลอนนอยัไวซัลลัมไม่ได้เตรียมตัวที่จะสู้รบแต่เตรียมตัวที่จะยึดทรัพย์ยึดทรัพย์เฉลยอย่างเดียวเพราะมันมีคารวาลใช่ไหม ท, ทีเราเ แต่เราสุภาพนาวตาและเลือกที่จะให้นบีและสหายได้ไปปะทะกับกับทัพที่ออกมาจากมักกะที่จะมาปกป้องคาราวานเพราะเรามีเป้าประสงค์ที่จะให้ปรากฏซึ่งความจริงและจธรรมดังที่จะอธิบายต่อไปจากนี้แต่สิ่งที่มันเป็นบทเรียนที่มันที่มัน เหมาะกับจังหวะจังหวะของของสงครามที่คนบางคนไม่ไม่พอใจเนี่ยแลวอัลลอฮฺ سبحانه แะ تعالى <ص في> ต้องการให้เป็นบทเรียนและและมีคำสั่งสอนกขึ้นเนี่ยที่อัลลอบอกว่าก็มัอัคราจะกระเบืกมิบยติกับ لحق وإن فريق من المؤمنين لكارهون ที่เขา ไม่ค่อยพอใจเรื่องการแบ่งแบ่งรับฉเฉลยชช่นเดียวกับการที่พระองค์การที่พระเจ้าของเจ้าให้เจ้าออกไปจากบ้านของเจ้าเนื่องด้วยความจริงนยยคความจริงและแท้จริงกลุ่มหนึ่งจากบรรดาผู้ศรัทธานั้นรังเกียจก็คือรังเกียจไม่อยากจะออกมาสู้รบและบอกว่าอันนี้มันก็เป็น เป็นการรังเกียจทางธรรมชาติไม่ใช่รังเกียจคำสั่งสอนอันเนี้ยที่ผมบอกว่าเราต้องมาอธิบายหน่อยอธิบายเพราะในเรื่องรังเกียจคำสั่งสอนเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะกรณีการทำจิหาดการทำาจิ a าเนี่ยการรังเกียจการต่อสู้การสู้รบการทำสงครามเนี่ย มันอาจจะมีเหตุผลเพราะความบททดสอบเนี่ยมันมันถึงขั้นขั้นที่จะเสียชีวิตกันบาดเจ็บกันมันก็มีเหตุผลที่จะที่จะรังเกียจไม่ชอบใครจะชอบล่ะกุทิบาะลิกุมุลกิตาลวอาหัวกรุหุลละกุมต่อว่าการต่อสู้เนี่ยถูกบันทึกแล้วว่าเป็น เรื่องที่จำเป็นต้องำํำหัวหัว ท, ทั้งทั้งที่กุรุหุนละกุไปสิ่งที่รังเกียจสำหรับพวกเจ้าเราอุลมามะได้บอกว่าก็รังเกียจ ด, ด้วยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยที่ไม่ชอบสิ่งที่มั น, ส, มนสิ่งที่มันมีบททดสอบรุนแรงมีความเสียหายหแต่ กรณีกรณีคำสั่งคำสั่งสอนหรือข้อปฏิบั ต, ติต่างๆที่อัลลอสั่งเราและเราอาจจะมีความรังเกียดละหมาดรังเกียจบริจาคละรังเกียจ ซิกุลลอฮ์นัออะไรที่มันง่ายงาไงง่ายงนี่พรอะไรเพราะมันแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอย่างเช่นซิกุลลอฮ์เียะดบทนึงท่านนบีลลัลลอฮุอะลัยฮิวัลลัมว่ามันมันมัน ظن بالمال أن يوفقه وبروحه أن يزيقه فعليه بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ผู้ใดที่ตรณีไม่อยากถวายชีวิตเพื่ออัลลอไ์ทมาถึงในในการทำบิฮัตและตรณีทรัพย์ของตัวเองไม่อยากจะบริจาคให้ทำอะไรให้กาสุภาพัลลอฮ์ลฮัมดุลลาห์เพราะอะไรเพราะมันไม่ได้มีชีวิตที่จะต้องไปถวายและไม่ได้มีทรัพย์ที่จะต้องไปุ่มเทสุภาพัลลอฮ์ุลฮัมดุลลา์ แล้วหากเกิดคนนี่รังเกียจละ่ะมีขนาดไม่ต้องทำอะไรแต่ไม่ต้องลงโทษเลยก็อาจจะมีอาจจะมีรังเกียจมันเป็นมันจะอนุโลมไหมมีสมการนะเมื่อมีเหตุผล เหตุผลนี้เกี่ยวกับเรื่องความเสียหายเสียหายในสิ่งที่มนุษย์มนุษย์หวงแหนชีวิตสุขภาพทรัพย์สิสน เ, เมื่อมีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นกับมนุษย์และมีเหตุผลนั้นยิ่งมีโอกาสมากขึ้นความรังเกียจทางธรรมชาตินั้นศา ส, สนาให้อภัยมากขึ้น ยิ่งมีความเสียหายน้อยลงความเสียหายน้อยลงโอกาสที่จะเสียหายน้อยลงในการทำไม่บาดาห์ในการปฏิบัติตามคําสั่งสอนนั้นน่ะการรังเกียจที่จะเกิดขึ้นน่ะนะยิ่งศาสนาไม่อนุโลมให้เกิดขึ้นเป็นสมการแบบนี้ jihad เสียหายมากไหมเสียหายมากมันถึงขั้นชีวิตบาดเจ็บมันมันมีเหตุผลแต่ยิ่งไม่มีละ่ะละหมาดละหมาดซิกุรุนเนะไอบาดาที่ไม่ต้องทุ่มเทไม่ต้องอะไรเลยเพราะ พอมีความรังเกียจเกิดขึ้นในกรณีที่ออบาดาที่ไม่ต้องทุ่มเทนะความรังเกียจนั้นนะ่ะมันก็จะกลายเป็นข้อคอราทำไมรังเกียจตรงนี้ในเรื่องในเรื่องการต่อสู้อลัลเราบอกอัอเราอีนี่ยนเะ่ามีย่อมมี แล้วก็มีกลุ่มหนึ่งก็มีแต่ Allah ไม่ได้ตำหนิใช่ไหมแต่พอพวกมูนาฟิกินอา ذ ا ق, ة, ق ا م و ا إلى الصلاة قاموا كسام เมือ่อเขาลุกขึ้นไปละมานี่ลุกขึ้นด้วยความรังเกียดด้วยความขี้เกียดอันนี้ตำหนิละทำไมในเรื่องต่อสู้เนี่ยไม่ค่อย ه, พอเห็นใจบ้างแต่ในเรื่องละหมาดนะ้ามูนาฟิกลีนขี้เกียจแค่ขี้เกียจนะยังไม่ถึงขั้นที่รังเกียจนะขี้เกียจนะาำนิทำไมเพราะการละหมาดนี่มันไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลที่จะรังเกียจไม่มีเหตุผลที่จะที่จะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ปฏิบัติการที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยทั้งทั้งที่มันไม่ต้องลงทุนอะไรมาก ก็แสดงว่าใจใจนี่ไม่ไม่มีเลยอ่ะบทเรียนเนี้ยในในช่วงสงครามบัดรจึงเป็นบทเรียนที่อัลลสุบฮานสงคามบัดรปีที่สองและเดี๋ยวมีปีที่เก้าก็สงครามตะบุกและจะมีสุล์อัตเตาบะประทานลงมา และจะเกิดเหตุการณ์สหบาขที่ไม่ยอออกกับท่านนบีสุลต่าละฮ์อัลเลาะห์อัสลัมซึ่งเหตุผลของแต่ละคนเนี่ยก็ต่างกันไปนะแต่มีมีเนื้อหารวมเนี่ยก็คือเหตุผลว่าเขาเาังเกตไม่อยากไม่อยากจะต่อสู้ในนบทเรียนปีที่สอง เตือนสหาบะเรื่องอะไรเรื่องเรื่องความรังเกียจคำสั่งในการทุ่มเทเพื่ออิสลามซึ่งความรังเกียจที่เกิดขึ้นในสงครามบัดเกิดขึ้นในกรณีที่ท่านนาบีสุลต่าไม่ได้บอกว่าสหาบวานี่จะไปจะไปทำสงคราม จะไปสู้รบบอกว่าเราจะไปพบคาราวานเขาก็เลยไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ไม่ไม่ด้เตรียมตัวและไม่ได้เตรียมใจฉะนั้นพอนบีมาแจ้งทีหลังว่าเดี๋ยวเราจะสู้รบนะมันก็เกิดความรังเกียจอัลลอฮ์จึงเห็นใจไงแต่ในสงครามตะพุกนี่อัลลอฮ์ลลบอกท่านนาบีบอกสหายสหายนี่ก็รับรู้เตรียมแล้วแต่ก็ก็มีกลุ่มหนึ่งที่ขี้เกียจแล้วก็ไม่สนอง คำเรียกของท่านน บ, บีสลุสลตจจึงถูกตำหนิอย่างร้ายแรงที่มันเป็นบทเรียนสำคัญมากสำคัญสำคัญระดับระดับที่จะเป็นมาตรฐานชีวิตรเรื่องอิมานของเราเป็นดัชนีวัดความศรัทธาความ เรื่อมใสที่หัวใจของเรามีต่อศาสนาต่ออรเนี่ยที่ได้จากเหตุการณ์เนี้ยก็คือเรื่องเนี่ยคำเนี้ยว่าอินนฟารีกันว่าอินนฟารีกนและแท้จริงกลุ่มหนึ่งจากบรรดาผู้ศรัทธานั้นรังเกียจแสดงว่าผู้ศรัทธา อัลลอฮ์เกว่ากลุ่มนึ่งจากบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ว่าเขาเป็นผู้ศรัทธานะผู้ศรัทธานี่ไม่จะเป็นเสมอว่าเขาจะเต็มใจจะทุ่มเทในการสนองตอบรับคําสั่งของลอสะนะุมพานุตนาเต็มร้อยไม่มันไม่เสมอไปอาจจะเป็นผู้ศรัทธา ก็เป็นผู้ศึกาแต่หัวใจของเขาเนี่ยอาจจะมีความบกพร่องความบกพร่องในในความเต็มร้อยกับอัลลอฮฺสุบฮานาอเนี่พวกเราทุกคนเนี่ยก็ต้องเอามาเอามาตรวจด้วกุรอ่านคือกุรอ่านนี่เป็นดังนำ เราก็เราอ่านกุณอ่านจะได้เป็นบทเรียนเราอ่านกุณอ่านจะได้จะได้หาประโยชน์ได้ประโยชน์และเคยบอกกับพี่น้องว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยอุมตัวเราเอุ้มตัวเราจากสถานการณ์นี่จากสถานการณ์โควิดโควิดน้อะไรอะไรสาระนี่นะ แล้วก็ไปอยู่ในในช่วงสงครามบาดาซ่แล้วก็พยายามพยายามรู้สึกในบรรยากาศแล้วเราจะได้บทเรียนมากกว่ามากกว่าการที่เราอ่านคุตัานอ่านกุตัานแล้วก็ลังคิดอยู่กูจะซื้อแมสซี่ไหนวะกจะจะเป็น ถ้าจะติดเชื้อจะไปรักษาที่ไหนอะไรนี้ใช่ไหมเพราะมีอะไรแบบนี้แล้วก็มาอ่านแล้วบทเรียนอะไรที่มันลึกซึ้งที่มันเกิดกับสุภาบ้านนี่มันจะมีเหรอแล้วอ่านกูดอ่านอ่านกุดอ่านพร้อมๆอ่ะอ่านกูดอ่านแล้วก็อ่อ่านกุดอ่านแล้วกลันนึกวจะกินข้าวที่ไหนอะ่าอกุดอ่านแล้วก็นน่ออเสื้อเสื้อตัวนั้นอ่ะที่เห็นบางก็ใส่นี่ที่เขาบอกว่าซื้อมันมันหมดียังก็ไม่ ลรกลังเล้กกําลังอ่านอยู่ก็อ่านอยู่นะมันก็เป็นไปได้นะว่าเราอ่านแล้วก็มีอะไรที่มันอยู่ในสมองหลายอย่างแล้วบทเรียนต่างๆนี่ที่ที่เรากำลังมันจะเกิดขึ้นไหมมันอาจ ม, มันน้อยโอกาสน้อยถ้ากุศอ่านเป็นทางนำกุศลกุจะสั่งสอนเราจะให้เราจะให้เราได้ได้ไดเปรียบในการ ในการขัดเกลาจิตใจแต่สถานการณ์แบบนี้เนี่ยทาให้สหาบ้านเนี่ยได้เอาคำสั่งสอนเนี่ยซึ่งคำสั่งสอนนี้มาอย่างนิ่มนวลเลยนะอลัลลอไม่ได้ไม่ได้ติเตียนหรือไม่ได้ตำหนิหรือไม่ได้ประนามแต่ลราแค่เล่าเรื่องเลาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้ว อยายะนี้มันเกิดขึ้นอยายะนี้ถูกประธานลงมาหลังจากสงครามมันเกิดขึ้นแล้วเอาละเล่าเล่าเรื่องว่ามีกลุ่มหนึ่งในบรรดาผู้สัจจารังเกียจโอ้โหลองคิดดูสิสหายบ้าที่เขาเคยมีความรู้สึกแบบเนี้แล้วก็เคยโตเถียงกัทบท่านนบีว่าเราไม่อยากโอ้แต่เราเราจะไปจะไปยึดทรัพย์ของจะไปยึดทรัพย์ในของคารวาหอย่างเดียว ในรำสงครามนี่เราเราไม่ยแล้วก็โต้เถียงกับท่านนบีด้วยนะอายันนี่ประตูประทานลงมาแล้วสหายบาเนเขารู้สึกยังไงแ่ทั้งที่อายันนี่ไม่ได้ปรนามนะยังไม่ได้ปรนามอะไรเลยนะแต่แค่เล่าเรื่องหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วหลังจากที่ประจักษ์แล้วว่าสิ่งที่อัลลอฮฺเลือก ไว้ให้กับผู้สัทานย่อมดีกว่าแต่ปรากฏว่าคนที่ไม่ไม่พอใจตอนแรกแล้วก็เถียงกับท่านนบสซ ล, ลล่าเลวเซลัลลมตอนแรกแน่นอนถ้าเขากลับมาทุบทวนตัวเองเน่นนะเขาก็จะเสียใจมากเขาก็จะเสียใจที่เขาได้เขาได้อยู่ในสภาพที่ ไม่ตรงไม่สนองพระประสงค์ของ Allah Subhanahu wa Taala คำสั่งของ Allah และ Rasul นี่ก็เป็นแบบนี้เสมอแหละที่ Allah สั่งที่นบีสั่งเนี่ยมีประโยชน์เสมอประโยชน์นี้เราเรารู้สึก เราสัมผัสเราตระหนักมากน้อยแค่ไหนอะนะผู้ศรัทธานี่ก็แล้วแต่จะจะศึกษากันแต่ในด้านปฏิบัติเนี่ยซึ่งเป็นต้นทุนของทุกคนนี่นะทุกคนนี่สามารถทําได้หมายถึงว่ามีคนก็จะปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์ของรอซูลถึงแม้ว่าเขายังไม่ไดตระหนักในประโยชน์แต่เขาเชื่อในเรื่องเดียวอะสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลสั่งต้องมีประโยชน์แต่เขาอาจจะยังไม่รู้ เอ๊ะยังไม่ยังไม่เข้าใจปฏิบัติไปก่อนปฏิบัติแล้วมันจะไม่ขาดทุนปฏิบัติแล้วจะไม่เสียหายปฏิบัติแล้วไม่เสียใจเอาไว้อย่างนั้นอันนี้คำสั่งคำสั่งของอัลลอฮฺ رسول ต่างๆที่ไม่ใช่เรื่อง j ิ h า d นะอย่างเราเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะทำ j i h า d เหมือนสมัยเหมือนยุคของท่านนบีเราสฮะบะเนี่ย แต่ในคําสั่งสอนอื่นๆมันก็เป็นการต่อสู้ระดับหนึ่งเรารับคําสั่งรอดรับสั่งของของราสู้เนี่ยแลเราเชื่อว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มันก็เป็นการแบ่งสู้เหมือนที่เกิดขึ้นสมัยซอฮาบะก็หมายถึงว่ามีผู้ศรัทธาที่เขาเชื่อว่ามีประโยชน์แน่นอน เขาก็เต็มที่เต็มร้อยกับเขาเก็ทุ่มเททาเต็มที่ทุกเรื่องนะจะเป็นเรื่องในบาดาจะเป็นเรื่องดาว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องทํางานศาสนาแล้วก็มีกลุ่มหนึง่งไม่ไม่เคยไม่เคยตระหนักนักแต่ก็ทําอย่าลืมนะว่าซอฮาบากลุ่มนี้ย เขาไม่ได้ไม่ทำนะที่เขาบอกว่ารังเกียจเนนีะ่แต่เขาไปมะเขาไปสู้ไหมเขาไปแต่สิ่งที่เขาเสียใจนี่ก็คืออะไรก็คือก็คือที่เขาไปทั้งทั้งทีง่หัวใจของเขานี่นะไม่เต็มร้อยหัวใจของเขาเนี่ยมีนิดนึงซึ่งไม่มีใครรู้เรื่องนี้นกจาก Allah, า Allah, อาาลัลลอฮฺอัาลอฮฺอัลลออัลลอ เรื่องบางเรื่องที่เราก็ทํานะนเพื่อให้เราได้เห็นว่าอัลลอฮฺสุบฮานะว่าแต่ถ้าจะตอบแทนนี่นะตาช่างของเละเอียดนะไม่ใช่ว่าทุกคนนี่ก็ทําคนนี้มาละหมาดมาละหมาดก็ยืนกันละหมาดเหมือนกันหมดปะไม่เหมือนกันบางคนนี่อาจจะมีอุปสรรคร้อยอุปสรรคเขาสู้กว่าจะมาถึงที่นี่นะแต่คนบางคนนี่นะไม่มีอุปสรรคเลย อยู่ที่บ้านแล้วก็มีคนเดี๋ยวเดจะขับรถใส่หรือมาส่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฮะคนต้องขยันขยอเขานี่กว่าจะมาอ่าแล้วก็มาแต่อีคนนึงก็ต้องต่อสู้กับอุปสรรคขนาดไหนสองคนนี้เหมือนกันไหมแต่ก็มากันใช่ป่ะแต่ก็มากันแต่นะอาลัทธิสุภาษณ์เอาไว้แตาสองคนนี้ไม่เหมือนกันแน่นอนตราช่าง ในการวัดคุณภาพการงานนะ่ะนะทะลุไปถึงความรู้สึกในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติแม้กระทั่งขั้นตอนการเตรียมตัวสู่การงา น, น, น ย, ยังไม่ได้สู้นะแต่แค่นาบีช่วงแรกเนี่ยบอกว่าเราจะไปจะไปพบคารวา อ่ได้ไปได้เพราะอนาบีเปลี่ยนแผนบอกว่าเราจะสู้รบนี่มันเป็นขั้นตอนก่อนที่จะถึงนะแต่พอมามาถึงจุดที่ต้องทำสงครามแล้วเนี่ยเขาก็ไปกับ น, นานบีใช่ป่ะเขาาก็ไม่ได้ถอยเขาไม่ได้หนีนะเขาก็ไปกับอ น, นบีเ้าก็ปฏิบัติแต่ในแต่ละขั้นตอนเนี่ยทุกคนนี่นะไม่เหมือนกัน ก็ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสลามติดามยันามกับสัฮาบะัังมุฮัจญรีนักอันซาวาจะเอายังไงปรึกษาหาเรื่องไงอัลลอฮบอกกันว่าชาวอิรุมฟิลอัมรให้ปรึกษาหาดูสัฮาบะถัส่วนมากบอกว่าท่านนบีไม่ต้องไม่ต้องแข็งใจไม่ต้องสงสัยเลยถ้าจะพาเราดีไปท้องมหาสมุทรนี่สมนุนซาลาบางท่านท้องมหาสมุทรเนี่ย เราก็ไปสวามีอีท่านหนึ่งบอกว่าถ้าพาเราไปถึงอาดนอบเบียนอาดนแอบเบียนมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นตำบลที่ยิเมนเนสุด้าบสมุทรอาหรับเลยก็คือไกลที่สุดของอาหรับแล้วอ่ะถ้าจะไปถึงไหนเนี่ยเราก็ไปด้วยก็แสดงความเต็มร้อย คบเต็านบนาี صلى الله عليه وسلم เรามาตรวจสอบชีวิตของเราผลงานของเราการงานของเราทุกๆเรื่องนะจะเป็นเรื่องไอบาดาก็ดีจะเป็นเรื่องการทํางานศาสนาก็ดีจะเป็นเรื่องการบริจาคถ้ามีก็ดีทุกเรื่องนะนะ แล้วก็มาดูาในขณะที่ศาสนาต้องการอัลลอฮ์ใช้อัลลาาอฮ์ลลกำชับแล้วก็สถานการณ์มันต้องการที่จะให้เราได้รีบเร่งในการทําก็ดีเราก็เห็นว่าบางสถานการณ์เราก็ไม่ได้ทําบางสถานการณ์เราก็ทําอันนี้ขั้นสูงของการตรวจสอบ เพราะในเรื่องในเรื่องการทําสงครามเนี่ยทําไม่ทำเนี่ยมันต่างกันเยอะจะหมายถึงว่าจะไปสู้นี่นี่อยู่อยู่ต่อหน้าศัตรูแล้วเนี่ยจะสู้แล้วก็อีกคนหนึ่งไม่สู้หันกลับไปนี่นะอันนี้บาปใหญ่อันนี้อัน น, น, นี้อันนี้เรื่องใหญ่อะไม่ใช่บาปเล็กนะบาปใหญ่ ท่านนาบีพูดถึงคนหนึ่งที่จะ Allah จะให้อภัยเนี่ยถึงแม้ว่าเขาหนีขณะสงครามเพราะมันเป็นบาปใหญ่ที่สุดและในบรรดาเจ็ดบาปใหญ่ที่ท่านนาบีระบุไว้ในหคดีบทหนึ่งเนี่ยหนึ่งในนั้นเนะี่ยนบีบอกว่าเรื่องซีนาเรื่องผิดประเวณีเรื่องอักตันยูต่อพ่อแม่เรื่องขโมยเรื่องกินเหล้าเรื่องชีวิตเรื่องเสียหายเรื่อง เศรศาสตร์ไปยุ่งกับเรื่องเศสาสตร์นะและหนึ่งในนั้นก็คือวันฟะิรรย่อมซลหนีสงครามก็คือมาถึงตรงประทะกันแล้วนะอกูไปแล้วไม่เอาแล้วแต่ในการวัดข้อแตกต่างระหว่างผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติลงมือปฏิบัตินะมันก็จะย่อมมีนะคนที่ปฏิบัติตาก็ มีขอ้อกำหนดไม่ใช่ว่าคนที่ปฏิบัติแล้วก็จะรับการยกยอ่องเสมอฉะนไหมคนที่ละหมาดละหมาดนะเขาก็ทำหน้าที่ละหมาดแล้วแต่เอานอกกำหนดนีด่ฟา ويل ุลลิมลมสุสลีน الذينه นะุม عنصلاة them sahun و ي ل ه ي ن ระสบกับคนที่ละหมาด ไม่ใคนนี้ไม่ละหมาดในคนนี้ไม่ละหมาดนี่ก็ดูสิแต่ขณะคนนี้ละหมาดนี่นะก็ยังมีโอกาสให้อนาะเลยละ่ะและคนนี้ไม่ละหมาดเลยอะฟาเวลุลมุลลสลิมให้อนาบัสรบคนนี้ละหมาดนี่แหละอัลลอฮีนะซึ่งคนที่ละหมาดคือลังเลสาวฮุนลังเลชักชา้าไม่ตรงเวล่ะ ถ้าทำก็ปฏิบัติเหมือนกันแต่ถูกตำหนิไหมก็ถูกตำหนิเหมือนกันอันนี้อุลามาก็ถือว่าเป็นขั้นสูงในการตรวจสอบของผู้ศรัทธาละก็คือตรวจสอบข้อปฏิบัติของเขาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อปฏิบัติของเขาคนที่ไม่ปฏิบัติปฏิบัติบ้างไหมปฏิบัติบ้างนะเขาไม่มีตัวนี้ คนนี้ไม่ปฏิบัติเลยอ่ะนะเขาจะไม่เขาจะไม่ว่านั่งสํานึกว่าฉันรังเกียจ <c oughs> ฉันปฏิบัติโดยดังเกียจฉันปฏิบัติโดยไม่เต็มร้อยเขาจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ตรวจสอบตัวเองทําไมอ่ะเพราะเขาไม่ปฏิบัติไม่ไมเลยคือเขาอยู่ในภาวะที่แย่ที่สุดแล้วฉะนั้นขั้นสูงในการตรวจสอบในการขัดเกลาตรงนี้เนี่ยคนเหล่านี้ก็จดไม่ไม่มีสิทธิ์หาเมฆองค์ไม่ได้ แต่สำหรับคนที ب ب ف وس ف وس ت ت ่ปฏิบัติผู้ผู้ศรัทธาว่าอินนฟารกมิลมมินีนละคาริฮูทั้งทั้งที่เป็นบทเรียนสำหรับผู้ศรัทธาที่จะตรวจสอบตัวเองนะแล้วยังเป็น ยังเป็นข้ออ้างให้ผู้ศรัทธาเห็นใจกันเห็นใจกันยังไงก็หมายถึงว่าคนที่บุกพร่องในบางเรื่องที่เป็นมาตรฐานคุณภาพของการปฏิบัตินะเราอย่าไปตำหนิว่าข้อตำหนินั้นมันเยี่ยงคนที่ไม่ปฏิบัติเลย น, นี้ว่าเราจะไปประนามเราไปประนามคนที่ละหมาดโดยขี้เกียจละหมาดลังเลละหมาดไม่ตรงเวลาจะปร ะ, ประนามเขาเหมือนประนามคนที่ไม่ละหมาดเลยไม่ได้ไม่มีข้อแตกต่างข้อแตกต่างที่สําคัญที่สุดเนี่ยว่าอัลลอฮฺสุบฮานะหัวดาแหละยืนยันว่าแม้ว่าหัวใจของเขาเนี่ยมีความรังเกียจ ในการที่จะปฏิบัติเต็มร้อยนะแต่เขาก็อยู an, ่ในหมู่ผู้ศรัทธาว่าเอนแฝริข้นมิเนลมุ่มินีนละคารฮนในสุรษฎ์มุฮัมมัดอัลลอูถึงกลุ่มที่รังเกียดสิ่งที่อัลอประทานลงมา ذلك بأنهم ك ر ารพ ا ่ม่าอ ل นซล فأحبط أعمال ที่ที่เขาถูกลงโทษลงโทษลงนรกกลุ่มผู้ผู้ปฏิเสธศรัตน์น่ะเหตุผลที่ที่ที่เขาถูกลงโทษตกนรกเนี่ยได้เลยก็บอกหนเครพพ่อเขาดังเกียร เม่อัน زل الله สิ่งที่ Allah ประทานลงมาฟ้าอัพบัตอามาละหุม Allah จึงทำให้การงานของเขานิ่มหักไปหมดอันเดียวกันได้เปล่ากุรอ่านเป็นทั้งนำทั้งเล่มไม่ใช่บางส่วนถูกต้องมแค่นั้นปัญหาของคนที่นี่ปัญหาองคนที่อ่านไม่หมดเรียนไม่จบ หอเปล่านถ้าไปอ่านอายันุนซุรมุฮัมมัดอายัเดียวแล้วก็ไม่มองอายันี้เนซุรอ <a qualify> <t ock feature> ัลฟาลนี่ยตกเลยใครรังเกียจอะไรคําสั่งสอนอะไรในอิสลามแล้วน่ะอามัลการงานของเขานี่ยโมฆะหมดตกนรกอายะชัดแต่อายันนี้เบา و ่าอินน์ฟรีก์น์มิ ن ั ن ن ن ن ن ้นผู้มุ่งมันนู้าวคืเป็นบูซ่าแสดงว่าตัวเรื่องไรื่องเกียรเนี่ยเพราะอันนู้นก็ใช้การเดียวกันน่นนี่คาริฮูนั่นนี่คาริฮะคาริฮูเหมือนเนืรากสับเดียวกันน่ะก็แสดงว่าเรื่องรังเกียเนี่ยมันมีหลายระดับมันมีหลายระดับอันนู้นน่ะ กะริมะอันซาลาห์คือเขารังเกียดรังเกียจหลักการทั้งหมดเลยสิ่งที่อัลลอฮฺประทานลงมานี่หมายถึงว่ารังเกียดหลักการทั้งหมดเลยคือไม่เอาหลักการทั้งหมดเลยอันนั้นไม่ใช่อันนั้นน่ปฏิเสธอันนั้นน่ะถือว่ากูฟอรแต่ยอมรับในหลักการและก็ยอมปฏิบัต หัวใจของเขาเนี่ยอาจจะไม่พอใจหัวใจของเขาเนี่ยอาจจะมีนิดๆกำลังเล่นเกมกำลังมันอยู่แล้วก็ซานอย่างเงี้ยล้วมากันละมานั่นแหละ ล, หละวมาแน่นอนไม่แต่มันก็มีหัวใจอันนี้ตกศาสนา อ, อันนี้ไม่ไม่ตกศาสนา แต่มันเป็นข้อตำหนิแต่มันเป็นข้อหนิ น, นข้อดแตกต่างนะเพื่อให้เห็นให้เห็นแล้วก็แยกแยะ ก, การแยกแยะนีมันก็จะเป็นประโยชน์สองประโยชน์สําคัญเพราะในเมื่อเราจะใช้มาตรฐานนี้ในการตรวจสอบคุณภาพการงานของเรา ว่าเราเต็มร้อยหรือไม่เต็มร้อยแสดงว่าเราต้องได้ประโยชน์ในการที่จะตรวจสอบอัตรารังเกียดดูซิอิบาดาที่เราทำดูซิสิ่งที่เราได้ทำเพื่อเลาสุภานุวัตเราทำด้วยความพร้อมใจทำด้วยความจริงใจด้วยความเต็มร้อยกี่เรื่อง และแต่ละเรื่องที่เราทำเนี่ยมันมีความรังเกียจในบางเรื่องไหมและความรังเกียจเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนผู้ศรัทธานี่ก็ทำงานต่อไปยกระดับคุณภาพการงานของเขาเรื่อยๆงานทุกงานทุกชิ้นเนี่ยทาทาต่อไปเนี่ก็จะได้เต็มที่จะได้เต็มร้อยและผลละบุญมันก็จะถูกคิดอย่างทวีคูณ อย่างที่บอก่าละหมาดด้วยความรังเกียจฮนะละหมาดกูซูฟนี่อยากดูอะถ้าละหมาดไม่ไม่ดูไงแต่ละหมาดก็อดดูนะี่อยากดูสนุกคนก็ดูกันอนะยากดู น, นี่นี่ปัญหาปัญหาของปัญหาของของการเรียนรู้เรียนรู้หลักการศาสนาในในด้านเกิข้อปฏิบัติเรื่องสุริยราคานีสุริยราคาเนี่ก็ทุกคนอ่ะมุสลิมทุกคนเนี่ยเขาก็เรียนกันแต่มุมที่เราเรียนกันแม้ก็ะทั้ ง, น, น, งนี่ไว้นิวยในเวลาเขาเสนอ ผมก็ตำหนิเขาพอ เ, เวลานำเสนอในนำเสนอนำเสนอข่าวเหมือนข่าวเซกุล่าเหมือนข่าวทั่วไปฮ่ะเร่ราคาจะเกิดขึ้นอะไรนะขอแนะนำอย่ามองอย่าจ้องอย่าใส่ว่นตาอ้าวนะแล้วก็ไม่มีอะไรอื่นอย่างอื่นการนำเสนอเหมือนดาราศาสตร์ทั่วไปแล้วก็เป็ น, เ ป, นเป็นสำนักข่าวมุสลิมมนไม่ไม่มีไ ม, ไ ม, ไม่มีข้อแตกต่างกับกับสำนักข่าวอย่างอื่นเลยเหรอ อัม so okay. uh, so ุสลิมเนี่ยจะจะบริโภคข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องตาราศาสตร์อย่างเงี้ยแต่แบบเนี้ยอ๋อสนุกดีมันดูดูเรื่องแปลกเรื่องแปลกใช่ปะแล้วคนคนนี่ผูกพันกับเรื่องนี้เนี่ยว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่น่าดูแต่มุสลิมที่รู้ว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยควรละหมาดควรละหมาดมันก็จะมีในสังคมมุสลิมมานะไปดูในในในโซเชียลเนี่ย คนนี่รณรงคร่องคให้คนดูแล้วก็มีเสนอด้วยนะมีแว่นแบบนี้ยี่ห้อแบบนี้เนี่จะได้ดูมุสลิมด้วยกันแต่ก็มีมุสลิมเออเรื่องนี้น่าสนใจอยากจะละหมาดมีเคยละหมาดนะจะละหมาดนะมีละหมาดที่ไหนอะไร้แต่มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยอะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อ่ะมีคนอยากดูเหมือนกันแต่เขาก็บอกว่าอ้าว ม, มีมีไหนเมื่อมีคนละหมาดนี่ละหมาดแต่ก็อยากดูแต่ก็มาละหมาดแล้วละหมาดแต่อยากดู <c oughs> เหมือนกันไว้ก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีกับคนที่มาละหมาดเต็มที่ละหมาดเพราะหน้าที่ในการที่จะละหมาด ขอรัอัลลอฮฺ سبحانه แะ تعالى ความจริงเนี่ยรับเล่นความจริงอัลลอฮฺ سبحانه แะ تعالى ขอบคุณอัลลอฮุ سبحانه และ تعالى ที่พระองค์นได้ให้เราอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยทั้งดั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับโลกจากวานนี้เราอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยอะไรหลายอย่างที่เป็นเป็นเหตุผลในเรื่องการละหมาดกุซูบหรือกซูบเนี่ยนะประโยชน์ทสองถึงแม้ว่า จะมีโอกาสในการที่จะตรวจสอบตรวจสอบตัวเองคุณภาพการงานของตัวเองแล้วก็ที่สำคัญนะก็คือก็ยังมีมุมมองที่จะเห็นใจคนอื่นไม่ตาหนิเขาไม่รุนแรงในการตาหนิเขาเพราะมันเกิดขึ้นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนของคนบางคนโอ้โหดูเหมือนว่าจะเคร่งนะโอ้ยคนนี้เขารังเกียรนะินั่นตกศาสนาใช้ไม่ได้ มันไม่ใช่เรารู้เรารู้ระดับของของการปฏิบัติว่ามันไม่เท่ากันเราก็จะได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามสภาพของมันเนี่ยตามเนื้อผ้าอย่าไปเหมาอย่าไปเหมาอุกกลมอุมคนอื่นแต่สินคนอื่นโดยที่ไม่รู้รายละเอียด ยูจัดดิลุนค์ใน الحق بعد มาทบีย์นค์อันมายุสากุนอีล์มูตวะม์มินดรุนกานที่สหาย์บังบางกลุ่มบางท่านนี่นะุลามะุลามะบรูซาดเขาบอกว่ากลุ่มส่วนน้อยจากสหาบ์ที่ได้ได้เถียงท่านนบีเรื่องเนี้ยพวกเขาโต้เถียงกับเจ้าในความจริงก็คือในสิ่งที่นบีสั่งว่าเราจะต้องไปประทะต้องต้องไปทำสงคราม ที่มันได้ประจักษ์ขึ้นประหนึ่งว่าพวกเขาถูกต้อนไปสู่ความตายโดยที่พวกเขากำลังมองดูกันอยู่เช่นเดียวกันการโต้เถียงอยู่จะไดีรู้นะก็วิลฮักต์โต้เถียงกับเจ้าในความจริงตอนนั้นนะสหาบะเขาไม่ได้นึกในสมองเลยนะว่าเขาโต้เถียงท่านนบี